ก็เหมือนกับว่าคนที่ไม่สบายอ่ะนะถ้าไม่ฉันไม่ได้รับการรักษาไปอยู่ที่ไหนมันจะหายป่วยมั่งเอาเพราะมันไม่ได้หายเพราะสถานที่เป็นต้นเนี่ยนะคืออันนี้พูดถึงโรคบางกลุ่มชันใดาบางคนก็บอกว่าเขาจะพ้นจากทุกข์เมื่อไปอยู่ณนะตรงนั้นแล้วเขาก็สบายแล้วพ้นทุกข์แล้วที่ไหนมีบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าพบแม้แต่พบเดียวพบเท่าไหร่ก็ช่างเถอะที่จะพ้นจากทุกข์ไม่มีขึ้นเชื่อว่าพบแล้วพบคืออะไร พบก็คือชาติชรามรณาโศกกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาตนั้นการที่บอกว่าเออเดี๋ยวพ้นด้วยเพราะเหตุนั้นพ้นด้วยเพราะเหตุนี้จึงไม่ใช่เลยนะนคือเราว่าหาดินแดนอันใหม่ใช่หมต้องหาแดนอะไรแดนสุขขาวอะไรก็ตามเถอะไปหาแดนเหล่านั้นอ่ะแดนเหล่านั้นไม่ได้ทําให้พ้นอะไรจริงๆรหรอกสิ่งเหล่านั้นก็ยังถือว่าเป็นสมบัติชั่วคราวอยู่เหมือนกันเนี่ยนะสวรรค์ก็คือสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเองเนี่ยของเราเนี่ยเคยไปสวรรค์มาไหม ถ้าพูดตามคําสอนนะตามาแล้วเนี่ยนะแล้วก็กลับมาแล้วด้วยตอนนี้ก็ยังอยู่ในเมืองสวรรค์เนี่ยนะเดี๋ยวไปจะออกต่างจางังหวัดอีกแล้วอ้ากรุงเทพไม่ใช่เหรอมืองสวรรค์นี่ก็เหมือนกันนะว่าถ้าหากว่าเราไม่แทงตลอดอริยสัจไม่บรรลุพระนิพพานไอ้ที่จะออกจากวัฏฏะจริงๆมันออกไม่ได้ถึงพื้นฐานเราจะรัตที่ศาสตทิฐิหรืออุเฉตทิฐิก็ตามตัวมิจฉาทิฐิที่พวกถือว่ารูปประพบกับอารูปประพบเป็นนิพพาน อาล ะ, ละดาบทุตกาดาบทเขาก็ถือว่ารัฐที่ของเขาเป็นนิพพา น, นแต่พระพุทธเจ้าบอกนี่มันสัสตตติธิพระองค์บอกไม่ใช่พระองค์ก็เลิกเรียนไอ้พวกอุเชตนี่พระองค์ไม่ไปไ ป, ปฏิบัติตามอยู่แล้วละนะเพราะพวกอุเชททิฐิไม่มีการทําอะไรพวกนี้สเสวยสุกรอวันตายอย่างเดียวพวกนี้ก็ถือว่าตายแล้วก็จบหมดแก้ปัญหาได้สารพัดอย่างเพรา ะ, ะนั้นก็เลยวัน ก, นก่อนก็ก็มีอะไรนะทางการแพทย์สมัยใหม่เขาออกมาว่า เขาเรียกอะไรนะคุณหมอตายแบบไม่ทรมานเขาเรียกอะไรนะเรียกว่าคือพวกวิจัยว่าทํำยังไงเลือกตายโดยที่ไม่ทรมานพวกนี้ถือว่าการตายอย่างทํายังไงจะได้มีความสุขที่สุดเท่าที่จะสุขได้ก่อนจะตายก็เลยวางแผนฉีดยาฉีดอะไรก็ว่าไปตามเรื่องไปนะพอเนี้พวกนี้ก็ถือว่าเมื่อตายแล้วก็สบายเลยจบเลยจบจริงหรือหรือว่าไปเริ่มกันแน่เห็นไหม คล้ายๆว่าอะไรนะเหมือนก็ว่าปวดหัวเหลือเกินตัดหัวทิ้งก็หมดเรื่องพวกนี้แก้ปัญหาแบบนั้นแหละก็นึกว่ามันจะแก้ได้อีกคำหนึ่งว่าเพราะอุปาทานทั้งปวงหมดสิ้นไปความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึงไม่มีถ้าความยึดถือหมดสิน้นความทุกข์ก็หมดไป น, นะสรเข้าเป็นตัวถ้าหมดความยึดถือก็หมดความทุกข์ ก็บอกโอ้ยอย่าใจ อ, อย่าไปยึด อ, อย่าไปถืออะไรมากมายเลยบอกไหนปล่อยให้ดูซิปล่อยยังไงะนะเขาบอกว่า อ, อ, อุปาทานนี่แปลความยึดถือใช่ถ้าหมดความยึดถือหมดอุปาทานก็หมดทุกเออแล้วปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยยังไงอ่ะอุปาทานมีกี่อย่างมีสี่อย่างกามุปาทานทิฏฐปาทานศีระพตปาทานและอัตวาทุปาทาน ทิฏฐุปาทานศีลัตุปาทานอัตวาทุปาทานเนี่ยนะไอการยึดถือสามอย่างนี less, ้หมดด้วยโซดาปฏิมักกามุปาทานนี่หมดด้วยอรหัตตมัคเนี่ยนะเพราะในคาว่าอย่าไปยึดถือหมายคือว่าเจริญโซดาปฏิมักเพื่อกาจัดทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานและอัตวาทุปาทานอย่าไปยึดถือกามมปาทานก็ด้วยอรหัตตมัก ทีนี้ผู้ที่ยึดถือเนี่ยโดยรวมรวแล้วยึดถือว่าไงว่าเที่ยงว่าสุกว่างามว่าย่างยืนและว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเป็นอัตตาของเราหรือการเข้าไปเพลิดเพลินอั้นถ้าไม่มีอรหัตตมรรคเนี่ยนะมันดับทุกข์ไม่ได้พราะพระพุทธเจ้าบอกว่าความหมดสิ้นอุปาทานเนี่ยอุปาทานเนี่ยสิ้นด้วยอริยมรรคทั้งหลายที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มันอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ที่เป็นเหตุให้สิ้นอุปาทานถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นจริง ความทุกข์ก็ไม่มนะีท่านหมายความว่าอย่างนี้บางคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ อ, อย่าไปยึดอย่าไปถืออะไรปล่อยๆซะบ้างจะได้สบายถ้ไม่เห็นใครทาสาเร็จสักคนเลยนะถ้าไม่ทำตามพระพุทธเจ้าบอกไม่สาเร็จหรอกเนี่ยนะนะพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่ า, ท, าท่านจงดูสัตว์โลกนี้สัตว์เป็นจํานวนมากถูกอวิชชาครอบงามัวเมานะมัวหลงติดอยู่ในสัตว์ด้วยกัน จึงหลุดพ้นไปจากพบไม่ได้แท้จริงพบอย่างใดอย่างหนึ่งทุกชั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความเปรปรวนเป็นธรรมดานะบอกว่าผู้ที่ถูกอวิชชาครอบงำใช่หก็ติดใจในการและกันนั่นแหละก็เลยเพลิดเพลินอยู่ในการและกันก็เลยอะไรนะกอดคอกันจมน้ำตายนะกอดคอกันเฝ้าวัตาดีกว่าเรามามาร่วมกันนะเราไปด้วยกันนะบอกไปไหนไปหาชาติชารามรณะด้วยกันนน ก็เลยชวนกันเฝ้าวะัตะนะชวนกันเฝ้าขันหก็นึกว่าดูเหมือนดีนะที่ไหนได้แต่ว่าเขามีเรื่องเล่าพระที่คอมเมนท่านเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคล้ายๆเรื่องนี้คล้ายๆที่เมืองไทยนั่นแหละคือเขามีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนเนี่ยเขารักกันมากแต่แล้วก็ไม่ได้โอกาสที่จะอยู่ด้วยกันในชาตินั้นก็เลยชวนกันไปตายนะไปไปชวนกันไปตายแลวว่าได้เจอกันในชาติหน้าเขาบากงั้น เสร็จแล้วก็พออีกชาติหนึ่งเขาก็มาเกิดเป็นคู่แฝดกันเป็นหญิงกับชายอยู่ท้องเดียวันนี้แหละพอคลอดออกมาเขาก็ไม่ยอมจากกันเลยนะเด็กสองคนเขาไม่ยอมจากกันเลยก็อยู่ด้วยกันไปโตขึ้นมาหน่อยก็บอกพ่อบอกแม่ขอแต่งงานกันพ่อแม่ก็จัดให้แต่งงานกันทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันไปนวก็ได้เจอกันเลยนะก็อะไรนะกอดคอกันตายเสร็จแล้วมามาเกิดใช่ไหมอ่ะก็จะได้กอดคอกันแก่ตายต่อไปอีกนะก็เราว่าจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งนะ กอดคอกันมาตาแล้วจะได้กอดคอกันไปแก่ไปตายต่อไปเน่ะเพราะอะไรเพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วนะจะเกิดที่ไหนขึ้นชื่อว่าการเกิดหลังจากการเกิดก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในที่สุดก็แปรปลวนเป็นธรรมดาลุงเรืองชอบเลยมัก็ยังดีอย่างนั้นดังว่างเหงาสิลุงเรืองเพราะ้พวกนี้เป็นความเศร้ามองนะเป็นความเศร้ามองต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อรู้เห็นภพนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้คือถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงว่าภพทุกภพไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเมื่อรู้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ละตัญหาในภพตัดความพอใจในภพซะทั้งไม่ปรารถนาความขาดสูญตัดฉันธราคะแต่ไม่เข้าใจผิดว่าตายแล้วก็จบ คำว่าไม่ปรารถนาความขาดศูนย์อย่าไปคิดว่าตายแล้วจบนั่นแะนะแต่ที่สำคัญตัดตันหาหได้อะไรเป็นตัวตัดตันหาถ้าสมมติณนะอริยสัจมีมี4ใช่ไหมถ้ากล่าวการละสมุทัยสัจจะสามที่เหลือเชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวว่าละสมุทยสัจจะ ก, ก็แสดงว่ากำหนดรู้ทุกขสัจจะทานิโรธสัจจะให้แจ้งอ บ, บรมอริยมรรอย่างสมบูรณ์จึงจะมีการละตันหา เพราะที่ใดใช้คําว่าละตันหาที่นั้นเท่ากับกล่าวสัจจะทั้ง4ี่ประการแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยตายแล้วจบจบหรือเริ่มจะจบอีกชาติหนึ่งไปเริ่มอีกชาติใหม่ใช่ไหมเพราะตันหาทั้งหลายสิ้นไปโดยอาการทั้งปวงนิพพานที่ดับกิเลสไม่เหลือด้วยมรรคจึงมีเนะนี่ยท่านก็บอกว่าตันหาสิ้นเพราะอะไรเพราะแทงตลอดพระนิพพานด้วยอริยมรรคเนี่ยนะ ก็ละตันหาเป็นชื่อของละสมุทัยสัตว์นิพานเป็นนิโรสัจจะมัก็เป็นมรคสัจจะไม่กล่าวเรื่องการทำปริญญาเพราะชื่อว่ากล่าวแล้วทั้งยาตะปริญญาตีระนะปริญญาและปะหานะปริญญาการทำปริญญาเป็นชื่อของปัญญาเมื่อกล่าวปัญญาก็ชื่อว่ากล่าวสมาธิและศีลไว้แล้วถ้ากล่าวศีลสมาธิปัญญาก็ชื่อว่ากล่าวสุตะแล้ว เป็นต้นถ้ากล่าวสู่ตาก็แสดงว่าครบสัตว์บุรุษเป็นต้นมาแล้วเะั้นการปฏิบัติมันก็จะเป็นไปโดยลำดับเช่นนี้ส่วนอีกคาถานหนึ่งเพราะไม่มีความยึดมั่นด้วยอุปาทานสีเนี่ยนะพบใหม่จึงไม่มีแก่พิสูุนนั้นผู้ถึงนิพพานแล้วถ้าจำอะไรนะถ้าสมรคกตัญหาโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานก็ดับใช่ไหมพถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับ พรพุทธเจ้าบอกภิกษุนั้นชื่อว่าครอบงามมารชนะสงครามเก้าล่วงพบผู้คงที่นะใช่เพราะทาแทงตลอดพระนิพพานถอนอุปาทานได้อย่างสิ้นเชิงเสร็จแล้วชาติชรามรณะเป็นต้นก็ไม่มีนะไม่ต้องถูกพบฉุดออกไปอะไรนะชาติอะไรน ะ, ะรนะเดินไปสู่ชาติชราติดตามพยาธิครอบงามมรณะก็ประหารนะก็ทุกชาติเกิดมาอะไรเกิดมารออะไร แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านทํากิจเสร็จแล้วท่านแทงตลอดอริยสัจแล้วเมื่อท่านแทงตลอดอริยสัจแล้วท่านจึงทําที่สุดแห่งทุกได้แล้วที่กล่าวไปแล้วนะกล่าวทั้งความเศร้ามองการชําแฉกกิเลสและอเซขะเนี่ยนะสามประการพระพุทธเจ้าตัดต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกเป็นชนะัอันทะปุถุชนผู้ไปตามกระแสหนึ่งนะ 2. กงกลยานะปุตชนผู้ทวนกระแสสเสขขบุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่นสุดท้ายก็อาเสขขบุคคลผู้ลอยบาปทิ้งแล้วข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกคือพระนิพพานในบุคคลสี่ประเภทเหล่านั้นอันทปุปุตชนผู้ไปตามกระแสเป็นสังกิเลสะภาคยะอันท่านนีแ้แปลว่าอันธพาล น, นะ อ่านท่าแล้วว่าบอดปุตุชนก็คือคนที่หนาหนาด้วยบอดด้วยคําว่าปุตุชนอีกความหมายหนึ่งก็คือแงน่น้าดูนาดูหน้ า, น า, าศาสดาไปเรื่อยเลือกหน้าอ่ะเรียกว่าอะไรเลือกเลือกหน้าเจ้าลัดที่ไปเรื่อยเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าปุตุชนแล้วก็ปุตุชนที่มืดบอดก็อะไรนะก็เหมือนกับว่าเกิดมาเป็นคนบอดใช่ไหมเดินไปก็คนนั้นเขาเป็นคนชขอพึ่งหน่อยเธอแล้วก็ไปเที่ยวขอพึ่งคนนั้นขอพึ่งคนนี้ ไม่รู้ว่าถูกพื่งหรือถูกใครเรียกว่านะเป็นที่พื่งหรือถูกหลอกก็ไม่รู้ท่าันมันชอบเขาเมียเรียกว่าทองแถวแห่งคนตาบอดก็มีเรื่องทองแถวแห่งคนตาบอดจะฟังไม่ยองเรื่องอะไรเรียกว่าเรื่องทองแถวของคนตาบอดก็มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งก็มีชายหัวใสคนหนึ่งหัวใสหรือหัวขุนก็ไม่รู้นะก็เลยเอวิธีหาเงินเนี่ยเอางี้ดีกว่าหลอกคนตาบอดพวกคนตาบอดขอทานได้เยอะนี่ พวนี้มันขอทานแล้วมันเก็บเก็บสตังได้คนละเยอะๆกันเอสตังคนตาบอดเนี่ยนะถ้าอารวมกันรวมกันมันได้หลายตังนะเยอะเลยหลอกคนตาบอดว่ายังไงดีก็เลยคิดอุบายได้ไปหลอกคนตาบอดเพื่อนฉันรู้จักพื้นที่บ้านเมืองที่มันอุดมสมบูรณ์ฉันจะพาพาแกไปที่นั่นแกจะขอทานวันหนึ่งได้เยอะมากอยากไปไหมบอกอยากอยากจะไปก็ต้องจ่ายค่าในหน้าเลยนะค่าพาไป ได้นะก็ลเลยเรียกเก็บค่าค่าอะไรนะก็เหมือนพาไปต่างประเทศค่าแบบนั้นนะอ่ะไอชายคนนี้ก็ไปเที่ยวชวนคนที่หนึ่งคนที่สองคนเอา้าก็คือควคนแรกบอกรออยู่นี่ก่อนนะแล้วไปชวนได้เป็นร้อยคนเลยเอันนะเขาบอกว่ า, าวิธีการก็ให้จับมือต่อๆ่ต่อ ต, อ ต, อตอกันไปนะไอชายคนชายตาดีคนนี้ก็เดินพาเดินไปเดินไปถึงต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนี้มันก็พาเดินอ้อม เดินอ้อมแล้วให้ตาบอดมันจับหลังตาบอดแล้วให้เดินวนอยู่นั่นแหละนะตาบอดจับตาบอดตาบอดมันก็เป็นวงกลมใช่ไหมแล้วให้ตาบอดเดินรอบต้นไม้เดินทั้งวันทั้งคืนมันเหนื่อยเต็มที่ก็เลยคนตาดีอยู่ไหนคนตาดีอยู่ไหนแบบคนตาดีมันเชิญเงินไปหมดแล้วตาบอดก็เลยช่วนกันกอดคอร้องไห้เฝ้าต้นไม้ต้นใหญ่นั่นแหละทําอะไรได้จะไปไหนได้เพวันทองแถวของคนตาบอดเป็นเช่นนี้ลักษณะของปุตุชนที่ดําเนินไปตามกระแสก็เป็น เช่นนี้หวังพึ่งกันไปหวังพึ่งกันมาคนนี้จะช่วยคนนั้นได้คนนั้นจะช่วยคนนี้ได้เป็นต้นก็เลยกอดคอกันไล่ไปส่วบายทุกทติวินิบนะัตินรกเป็นต้นนั่นแหละนี่แหละโทษฐานไม่นับถือคนตาดีใครคือตาดีอะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้มีจักรสูในโลกเลยนะพระองค์เป็นผู้มีจักรสูมันเราจะนับถือผู้ทางสารานางังฆาชามีไปทําไมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีตาดีชักชวนทั้งหลายผู้ชักชวนเราทั้งหลายผู้ตาบอด ให้เดินทวนกระแสเพรา ะ, ะนันปุตุชนที่เป็นกาลยาณนะปุตุชนนี่กําลังทวนกระแสของเราทั้งหลายก็ทวนกระแสจะเขาไปเที่ยวไปเล่นคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตไปทําอะไรกันไปเดิมเหล่าเมายาของเราเนี่ยมาทวนกระแสมานั่งฟังทำย้อยง่วงกัง่ว ง, ง, วงเป็นต้นเนี่ยนะทวนกันหน้าดูเลยเมื่อเช้าดูสดใสกว่านี้เยอะเนี่ยนะมันก็แสดงว่า ปุกระยาณนะปุตุชนผู้ทวนกระแสก็าเรียกว่าชีวิตเริ่มทวนกระแสแล้วเคยทําชั่วด้วยกายก็ลดไปเนี่ยนะใหนเล็กนะเคยเมาก็มาอดเมาเลยคนนี้แล้วเขาเล่าให้ฟังวันนี้นะไอถนอนคนเมาเนี่ยนะผมทำเมื่อก่อนนี้ผมไปเดินอยู่แถวนั้นอะไรตอนนี้ไม่เดินแล้วนะเดินฟังธรรมดีกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตทวนกระแสเป็นชีวิตที่เริ่มทวนกระแส เคยมีเคยเพลิดเพลินก็เลิกเพลิดเพลินเคยมัวเมาก็เลิกมัวเมาเคยก่อกรรมทําความชั่วก็เริ่มลดน่ะนะแต่ทีนี้การมาหันมาเส้นนี้เนี่ยถนนสายนี้คนไม่ค่อยเดินเพราะฉะนั้นก็เลยเงาเงากันบ้างนะครธรรมดาเรียกว่าชีวิตทวนกระแสถ้าไปตามกระแสนี่ไปเหมือนคลื่นเามามาตั้งคําถามว่าเออเอาไหมถ้าไปเป็นพวกเยอะๆจะตั้งคาถามไปว่าชอบไปกับพวกเยอะๆหรือไปจับชนกลุ่มน้อย ก็มาถามเอ้พึ่งมันก็ไปเป็นฝูงเหมือนกันนะจะเอาไมา่เป็นฝูงแบบนั้นเยอะๆแบบนั้นบอกไม่เอาปลาเนี่ก็อยู่เป็นฝูงเลยนะเป็นวังเขาเรียกวังมัดฉาฮนะมีเยอะมากแบบไปไหมเอาไหมอยู่เยอะๆอย่างนั้นบอกไม่เอาเออแน่ๆเขาบกว่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องคิดว่าตัวเองอาภาพแล้วนะจะเจริญในเส้นทางสายนี้ถึงจะมีพวกไม่มากทั้งซอยมีอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นจะไปสายไหนอ่ะพันจะขอเลือกอยู่ชนจํานวนมากหรือชน จำนวนน้อยเนี่ยนะแล้วก็อย่าลืมว่าสัตว์ทั้งหลายโดยมากเขาไปไหนกันก็ใบหน้าไปสูที่ไหนก็คิดดูกันก็นแล้วกันมันทางสายนี้ยังไงก็ทางสายเปลี่ยวอยู่แล้วล่ะเชื่อเถอตอนมาก็มาคนเดียวไปก็ไปคนเดียวเนี่ยนะก็มาเจอกันเป็นครั้งคราวแค่นั้นเลย น, นะแต่เรียกว่าตอนไหนาธาตุเสมอการคิดคล้ายๆกันก็ไปนั่งรวมกันไปพักหนึ่งาธาตุไม่เหมือนกันก็ไปคนละเรื่องละก็แยกแยกแยกันแค่ อ, อะไร แยกพักประชมพักเข้าพักย้ายพักอะไอยู่แค่นี้ไม่ก็วนๆนี่นะวัตตาจะมีอะไรเนี่ยนะพราะพวกชีวิตกาลยาณาปุตุชนทั้งหลายเป็นชีวิตทวนกระแสชีวิตทวนกระแสเป็นยังไงก็คือชีวิตที่เรียกว่าไม่เดินตามจํานวนชนหมู่มากเนี่ยนะนะอย่างพุทธศาสนาเนี่ยนะบอกว่าประชากรพุทธศาสนาในในประชากรโลกมีห0พักว่าร่วม6000ล้านประชากรพุทธศาสนาเนี่ยมีประมาณ500ล้านเท่านั้นเอง ห้ารยล้านในสมโนโครัวนะในสมโนโครัวเนี่ยนะพันประชากรล้านคนเนี่ยจะนับอะไรนะแทบจะนับถือพุทธศาสนาแล้แสนไม่รู้จะได้คนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แล้วในคนที่ศึกษาเหล่านั้นเนี่ยนะเออก็ได้แต่ชื่อเพราะเป็นเพียงผู้นับถือพระพุทธรูปก็มีนะเพราะนับถือพระพุทธศาสนามันมีหลายระดับนะบางคนเฉพาะนับถือสถานที่บางพวกก็นับถือพระพุทธรูป บางพวกก็นับถือพระไตรปิฎกแต่ไม่อ่านพระไตรปิฎกบางพวกก็นับถือพระไตรปิฎกอ่านแต่ว่าไม่ปฏิบัติเป็นต้นมันมีหลายขั้นกรองกรองกรองไปก็ดูเอาว่าเรากลุ่มไหนะนะมันก็ว่าถามว่านับถือพุทธศาสนาเอาแค่ไหนเป็นเครื่องวัดนะก็ตาคิดแบบกฎหมายก็ต้องเอาประชากรที่นับถือแล้วลงทะเบียนว่าคุณนับถือาศาสนาอะไรเนี่ยนะเอาแค่นั้นมันก็ชีวิตประเภททวนกระแสการยานะปุถุชนทั้งหลายผู้ทวนกระแส ทวนกระแสหมูสัตว์ก็บอกปานาติบาเรื่องดีกลุ่มเหล่านี้ก็มาทวนบอกไม่ดีอธินาทานเป็นเรื่องดีบอกนี่บอกไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะก็พวกนี้ทวนกระแสมาตลอดพวกนี้ก็เป็นอะไรพวกพวกทวนกระแสเ ป, เป็นอะไรสภาคิยะเป็นพวกนิเทาพทภาคยะส่วนเสขบุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่นคือคือหมายว่าเสขบุคคลเนี่ยทวนกระแสจนได้ยืนอยู่ใน ในที่มันมั่นคงแล้วล่ะแต่ยังข้ามไม่พ้นนะแต่ก็ถือว่ายืนอยู่ในที่ที่ดียืนอยู่ในที่ที่มันมันมั่นคงอยู่ในน้ําแต่ว่ากระแสไม่เชี่ยวแต่พวกปุตุชนเนี่ยไหลไปตามกระแสน้ําเชี่ยวพวกกร ะ, ระยาณปุตุชนว่ายทวนกระแสน้ําเชี่ยวพระเสขาก็ไปยืนอยู่ในที่ที่มันตั้งมั่นแต่ก็ยังยืนอยู่ในน้ำนะยังยืนอยู่ในน้ําที่มันกระแสมันอ่อนแรงเขาเรียกว่ามีที่มีเกาะมีที่พึ่งส่วนพาดหันก็ขึ้น ขึ้นบกขึ้นบกนะนะี่ยนะแปลว่าพระอเสขะบุคคลผู้ลอยบาตทิ้งแล้วข้ามถึงฝั่งดํารงอยู่บนบกคือพระนิพพานอะันนี้เป็นอเสขภ า, าคิยะเนี่ยนะอันนั้นก็แบ่งเป็นสังกิเลสะพาคยะพวกสังกิเลคืออะไรกัลยาพวกอันทัปปุตตชนไปตามกระแสโดยส่วนเดียวพวกนิเพทาพาคิยะก็คือพวกกัลยาณนะัปปุตตชนกับเสขะ บ, บุคคลส่วนอเสขะบุคคลก็เป็น ผู้ที่ยืนอยู่บนบนอะไรบนฝั่งคืออสังคตะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอย่างที่ว่าจากักรคูจักรคูสมุทยัยจักรคูนิโรจักขคูนิโรทัคค า, ามินีปฏิปทาพระทหารก็ดํารงอยู่ที่จักขคูนิโรดเนี่ยนะของเราอยู่ที่ไหนจักขคูกับจักขคูสมุทยัยใช่ไหมอา้าวพระทหารดำรงอยู่ที่จักขคูนิโรดพระเสขะดํารงอยู่ที่จักขคูนิโรทัคคามินีปฏิปทาตัวในครั้งหนึ่งนะว่า ปุตุชนนี่อยู่กับทุกกะสมุทัยพระอาหารเนี่ยเน้นที่ทุกขานิโรธเพราะพระอาหารเนี่ยมักจะเข้าพลัสสมาบัติส่วนพระเสขาทั้งหลายก็มุ่งนิโรธาคามินีปฏิปธามุ่งการปฏิบัติมุ่งการเจริญนะในสัจจะสี่ก็มีอยู่เท่านี้นะเอาใหม่นะปุตุชนกับเอางี้ดีว่าปุตุชนดำรงอยู่กับสมุทัยสัจจะทุกกะสมุทัยนะแต่ที่แน่ๆก็สร้างสมุทัย พระอาหารหันต์ดำรงอยู่ที่นิโรสัจจะเป็นหลักเสขะทั้งหลายตั้งแต่กาลยาณปุตุชนจนถึงพระนาคามีก็เน้นที่นิโรทฆ า, ามมนีปฏิปทาที่เป็นข้อปฏิบัติที่เราเรียกว่านิยานิกธรรมนี่มาขึ้นสูตรที่9สูตรที่9สังกิเลตวาสนานิเพทภาคิยสูตรสังกิเลตวาสนานิเพทภาคิยสูตรเป็นไงนะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลว่าโดยชาติตระกูลนี่มีอยู่6กลุ่มด้วยกัน6ตระกูลคนในโลกนี้แบ่งเป็น6ตระกูลกลุ่นที่1ก็คนดําเกิดในชาติตระกูลต่ําประพฤติธรรมดำคืออกุศลไอคําว่าคนดำเนี่ยพิชาติดํำหมายความว่าคือเกิดในตระกูลต่ําแล้วก็ทําชั่วคืออกุศลกรรมบท10บนี่กลุ่มที่1นะตระกูลที่หนึ่งตระกูลที่สองเป็นคนดําที่เกิดในตระกูลต่ําแต่ประพฤติธรรมขาวคือกุศลกรรมบท10 กลุ่มที่สคนดําที่เกิดในชาติตระกูลต่ําแต่สําเร็จเป็นพระรหันต์สําเร็จอรหัตผลโดยประจักแจ้งซึ่งทําไม่ดําไม่ขาวซึ่งมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเกิดตระกูลจันทานเป็นต้นแต่เป็นพระรหันต์อ่สมัยพุทธกาลมีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าท่านสุเนศท่านสุเนศเนี่ยเกิดมาในตระกูลคนเทดอกไม้ฟังเหมือนดีใช่เทดอกไม้คําว่าเทดอกไม้คำว่าเอาอุจาระมาเทใสยเทเทเสละดอกไม้มาวางข้างบนดูเหมือนดูดี ก็หาไปทิ้งนอกเมืองเรียกว่าตระกูลคนเทดอกไม้ทั้นปกติเนี่ยคนตะคนเนี่ยต่ำ ม, มากต่ําที่สุดแล้วเพราะนั้นเวลาเห็นคนเนี่ยจะต้องคอยหลบไกลๆวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางนั้นก็หาทางหลบแต่ว่าไม่มีที่ไปพระเจ้าก็ไปแสดงธรรมให้ฟังว่าเธอจะบวชไหมบวชพระเจ้าค่ะบรรเดียวบวชมาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะก็เครียกว่าคนที่คนดําเกิดในตระกูลต่ําแต่บรรลุเป็นพระอรหรันต์ กลุ่มที่สี่คนขาวเกิดในชาติตระกูลสูงแต่ว่าทําอาคุสลกรรมบดสิบล่วงอาคุศลกรรมบทสิ บ, ล ก, ล ก, บ, สบกลุ่มที่ห้าคนขาวเกิดในตระกูลสูงประพฤติกุศลกรรมบทเสพคือทําขาวกลุ่มที่6คนขาวที่เกิดในชาติตระกูลสูงสําเร็จอรหั ต, ตผลโดยประจักรแจ้งซึ่งทําไม่ดําไม่ขาวและวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเช่นพราหมณ์มหาสารคือหาบดีมหาสารกษัตริย์มหาสาลออกบวชแล้วเป็นพระอาหารหันต เขแบ่งนะหมายความว่าตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำก็ตามเขามาแบ่งอย่างนี้ว่าบุคคลนั้นบุคคลสองประเภทคือคนดําที่เกิดชาติตระกูลต่ำประพฤติธรรมดําคืออากุศลกรรมบท10บคนขาวที่เกิดในชาติตระกูลสูงประพฤติธรรมดำคืออกุศลกรรมบทสิบพวกนี้ก็พวกเศร้าหมองทั้งคู่จะเกิดตระกูลไหนไม่สําคัญถือเอาที่ความการกระทําว่าถ้าทําชั่วท่านบอกว่าเศร้าหมองส่วนบุคคลสองประเภทนี้คือคนดําที่เกิดในชาติตระกูลต่ำ ประพฤติ ธ, ธรรมเขาคือกุศลกรรมบทสิบคนเขาที่เกิดในชาติตระกูลสูงประพฤติ ธ, ธรรมเขาคือกุศลกรรมบทสิพวกนี้เป็นวาสนาภาคยะนะส่วนแห่งวาสนาต่อไปส่วน อีกสองกลุ่มคือคนดําที่เกิดในชาติตระกูลต่ําสําเร็จอรหัตผลโดยประจักแจ้งซึ่งทําไม่ดําไม่ขาววิบากที่ไม่ดําไม่ขาวคนขาวที่เกิดชาติตระกูลสูงสําเร็จอรหัตผลโดยประจักแจ้งซึ่งดำซึ่งทำที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากเป็นวิบากไม่ดําไม่ขาวอันนี้เป็นนิเพทภาคียสูตรอันนี้ก็หมายคว่าพวกที่เป็นพระอารหันต์นั่นเองหมายาว่าพวกตระกูลสูงตระกูลต่ําทําล่วงอกุศลกรรมบทสิ ตระกูลสูงตระกูลต่ำประพฤติกุศลกรรมบุตสิตระกูลสูงตระกูลต่ำเป็นพธาตุหันเนี่ยนะก็แบ่งเป็นอะไรพวกทําความชั่วอกุศลกรรมบุเสพเรียกว่าสังกิเลสะพาคียะพวกประพฤติกุศลกรรมบุเสพเรียกว่าวาสนาภาคียะพวกที่สําเร็จเป็นพธาตุหันเรียกว่านิเทาพทภาคียะส่วนแห่งการชํำระ ก, กิเลสอีกส่วนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย กรรมสเหล่านี้4ประการเป็นฉไหน4ประการคือหนึ่งกรรมดำวิบากดําอย่างที่สองกรรมขาวมีวิบากขาวอย่างที่สกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวอย่างที่4กรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นกรรมอันประเสริฐสูงสุดเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดําวิบากดําและก็กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากไม่ทั้งดําทั้งขาวอันนี้เป็นสังกิเลสะภาคยะ กรรมดำวิบากดำกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวอันนี้เป็นสังกิเลสหมายคือว่าอันนกรรมดําก็คืออกุศลกรรมมาบทสิให้ผลเป็นวิบากกับวิบากดําก็คืออบายสี่กับทํากรรมดำําบางทีก็ดําบ้างขาวบ้างกลางวันทําบุญกลางคืนทําบาปเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าอะไรนะเชาวมาหาปลาสายมาฟังธรรมเนี่ยก็สลับสลับคละเคล้ากันก็เรียกว่าทําทั้งดําทั้งขาวคละเคล้ากันไป พวกนี้เป็นยังเศร้าหมองอยู่ที่เรียกว่าส่วนแห่งความเศร้าหมองเนี่ยนะหมายถึงว่าตอนเช้าฟังธรรมตอนเย็นมาเ ม, มาเลี้ยงฉลองกันใหญ่เลยนะเมาแอะแ้นะก็เขาก็มีนะยุคนี้มีทุกอย่างมีให้เห็นหมดหละพวกนี้ยังอยู่ในส่วนแห่งความเศร้าหมอง<ช>ส่วนกรรมขาวมีวิบากขาวอันนี้เป็นวาสนาภากิยะรักษากุศลกรรมบทสิทธิ์แล้วก็วิบากของกุศนกรรมบทสิทธิส่วนกรดมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นกรรมอันประเสริฐสูงสุดเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ado, อันนี้หมายถึงอรอิยมนะรรคอริยมรรคนี้เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นวิบากของอันนี้ก็ไม่ดำไม่ขาวเป็นกรรมที่สูงสุดเป็นไปเพื่อทำลายกรรมจริงๆเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งกรรมพราะโสดาปติมรรคเนี่ยทำลายกรรมที่นำไปสู่นรกสกทาคามิมรรคทำลายกรรมเพื่อมาเกิดในภพที่สองเป็นต้นอนาคามิมรรคทำลายกรรมในการมาพบอรหธรรมรรคก็ทำลายกรรมที่นำเกิดใน พบทั้งปวงสูตรนี้เป็นกล่าวทั้งสังกิเลสวาสนาและนิเพทะภาคิยะเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งสูตรที่ส0ว่าด้วยวาสนากับนิเพทะภาคิยะสูตรวาสนากับนิเพทะภาคิยะเป็นไนบุคคลได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพึงทำกิจสองอย่างคือกิจที่ควรทำและกิจที่ไม่ควรทำพึงทำบุญกุศลซึ่งเป็นกิจที่ดี อันนี้อันนี้กิจอันหนึ่งที่ควรทำะนะคือบุญกุศลใช่ไอีกอย่างหนึ่งพึงละสังโยชนํำว่าสุกิจจังเีวะปุญญานี้พึงทำบุญกุศลที่เป็นกิจที่ดีอันนี้เป็นวาสน า, เ, าเมื่อเกิดมาแล้วก็ทำบุญนะเมื่อเกิดมาแล้วก็ควรทำบุญให้มากอย่างที่พระองค์ตรัสอะไรนะั้นในคาถาที่พระองค์ตรัสเรื่องนางวิสาขาในธรรมบท่นะนะ บอก ว, ว่านายมาลาการผู้ฉลาดพึงจัดดอกไม้ร้อยพวงมาลัยดอกไม้จากกองดอกไม้เยอะๆอะ น, นั้นนายมาลาการผู้ฉลาดมีสวนดอกไม้เยอะก็สามารถจัดร้อยดอกไม้ได้มากฉันใดหมูสัตว์ผู้เกิดมาแล้วมีอันจะต้องตายเป็นสภาพควรทํากุศลให้มากฉะ น, นั้นท่านเมื่อเกิดมาแล้วกิจที่ควรทําก็คือควรทําทําบุญให้ทางรักษาสินเจริญภาวนาเป็นต้นน่ยนะ กิจอีกอันหนึ่งที่ควรทำก็คือละสังโยชน์เนี่ยนะละสังโยชน์ใช้คาว่าละสังโยชน์นะละสกายที่ ท, ทีวิจิกิจฉาิสยามัรชริยะด้วยโสดาปฏิมาทำลายการมาราฆกามรมารากับปฏิฆาด้วยอนาคามีมัชทำลายรูปปาราฆารูปาราค า, ปป า, คามานะอุทธชาและอวิชาด้วยอรหัตตมัชอันนี้เป็นนิเพทภ า, พาคิยะ หมายว่าในคาถาเดียวเนี่ยนะเมื่อเกิดมาแล้วทากิจสองอย่างนะหนึ่งทำบุญให้มากสองละกิเลสนะอันนี้เป็นทําบุญให้มากเป็นวาสนาละกิเลสเป็นนิเพทะภาคียะวาสนากับภาคียะกับวิเศษาภาคียะนี่กลุ่มเดียวกัน น, นะอีกคาถาหนึ่งบอกว่าบุคคลผู้มีบุญอันกระบบุคคลผู้มีบุญกระทําบุญแล้วย่อมจุติจากสุขคติหนึ่งไปปฏิสนที่อีกสุขคติหนึ่ง ส่วนบุคคลผู้ละสังโยดได้แล้วย่อมพ้นจากชราและมรณะนะอย่างเช่นว่าอย่างสมัยพุทธกาลนี้เห็นชัดว่าหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ทําบุญกับพระรหันเข้าทําบุญจุติจากมนุษย์ก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์บรรดาพระริยเจ้าทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็ปรินิพานอันนี้คือความต่างกันเขามีเรื่องในพระไตรปิฎกอยู่เรื่องหนึ่งที่เรียกว่าพระเทระผู้เข้าถึงสกุลช่างแก้ว คือพระเทพรูปนี้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปฉันในบ้านโยมคนนี้เป็นประจำํำโยมตระกูลนี้เขาเรียกว่าช่างแก้วหมเขาว่าช่างเจรนายเพชรพลอยเนี่ยนะเขาก็นิมนต์ให้ไปฉันประจําอยู่ที่บ้านนะก็ไปบินทบะไปหมายว่าอยู่ที่วัดเข้าไปฉันที่บ้านแล้วก็กลับวัดเนี่ยนะก็อยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันอยู่เป็นสิบปีอยู่วันหนึ่ง พระราชาพระเจ้าพระเศสน์ที่โกศลเนี่ยส่งพลอยหรือเรียว่าแก้วเนี่ยก็คืออัตนะนะก็คือพวกพลอยไปให้ช่างแก้วนี่เจรไนให้วันนั้นเนี่ยอามาดพวกทหารก็ถือเอาแก้วเอาพลอยเนี่ยไปให้ไปให้กับโยมคนนี้โยมให้เกากําลังนั่งหั่นเนื้อทํากับข้าวกาลังนั่งหั่นเนื้ออยู่เะั้นเขายื่นพลอยมาให้ก็เอามือเปื้อนเลือดนี่จับพลอยจับพลอยแล้วก็วางไว้จับพลอยวางเสร็จแล้วก็นั่งหั่นเนื้อต่อไป ที่บ้านนี่เขาเลี้ยงนกกระเรียนไว้ตัวหนึ่งนกกระเรียนตัวนั้นได้กลิ่นเลือดเขา้าก็เลยมาเกลืน่นอ่ะนะมาจิ ก, กพลอยอันนี้เกลื่นท้องใส่ท้องเข้าไปนายช่างแก้วนี่ก็หั่นเนื้อหั่นเสร็จทำกับข้าวเสร็จเหลือไปดูพลอยอ้าวไม่เห็นพลอยหายแต่นนพระเนี่ยมานั่งคือคือพระสมัยก่อนเนี่ยเขาไ ป, ไปเข้าบ้านเช้าหน่อยไปนั่งฉันข้าต้ม สมัยนั้นทำเนียมเขาเชา้ชาเช้าหน่อยเขาทานข้าต้มสายหน่อยเขาฉันข้าวสวยเนี่ยเขาเขหลักการเขเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านไปชันข้าวต้มเสร็จท่านก็นั่งอยู่ในบ้านนั่นแหละรอรอข้าทำกับข้าวเสร็จจะได้ฉันแล้วก็กลับทีนี้นายช่างแก้วทํากับข้าวหาพลอยไม่เจอพระก็นั่งอยู่เนี่ยนะตายแน่งานนี้หัวกุดแน่เพราะว่าพลอยของพระราชามาเนี่ยให้มาเจรนายเดี๋ยวก็ว่าเรามกเม็ดพลอยหายทํำยังไงก็ถามเมียเธอเธอพลอยหายไปไหน ก็ไม่รู้ไม่ไมรู้เราไปถามพระดูสิเราก็ไปถามพระก็นหนูอาตมาแต่พระเนี่ยเห็นนะว่าพระนี่เห็นว่านกกระเรียนนี่กลืนกลืนพลอยเข้าไปท่านก็ท่านก็อ่พระคุณเจ้าเห็นไหมท่านก็เงียบท่านไม่พูดแม้แต่คําเดียวเสร็จแล้วอคนเนี่ยว่าผมยิ่งพระแน่นอนในงานเนี่ยดูสิท่านไม่พูดพระแน่นอนเลยแหละ เอาไงดีก็เลยว่าท่านจะบอกหรือไม่บอกท่านอยากให้ผมชิบหายก็ขอร้องท่านก็เงียบท่านก็ไม่ว่าะไรนะท่านก็เงียบในที่สุดบอกท่านจะบอกหรือท่านไม่บอกถ้าไม่บอกผมฆ่าท่านนะท่านก็เงียบอีกหน่งเก็เลยไปเอาไอ้เชือกเนี่มาร้อยมาแบบเชือกแบบมาร้อยหัวนะมาวางที่หัวแล้วก็เอาไม้ลิ่มอันนึงก็ขันชนะขันรัดรัดรัดรัศีรษะเท่านจะบอกหรือท่านไม่บอก ท่านก็เงียบเลยนะท่านก็ปวดมากนะก็ร้อยรัดรัดรัดจนเรียกว่าตาแทบปลิ้นออกมานะทีนี้ไอ้นกกระเรียนมันได้กลิ่นขาวเลือดมันก็วิ่งมาจะมากินเลือดไอ้นายช่างแก้วก็เลยหวดเข้าไปปาบแหงการคอตายคาที่เลยนะนกกระเรียนตายคาที่พระก็บอกเดี๋ยวเด๋ยวช่วยช่ยคลายหน่อยดูซิว่านกตายหรื อ, อยังบอกเดี๋ยวท่านก็จะตายเหมือนนกนี่แหละ ก็บอกว่านกนั่นเคลื่อนพลอยไปบอกว่านี้ดีนะนกตายอาตมาเจริงบอกถ้านกไม่ตายไม่บอกรอกก็ก็เลยรีบไปผ่าท้องนกดูเห็นพลอยเข้าอะลรโอ้ยเข่าสุดเข่าออนไปหมดจริงๆแล้วแม่บ้านเขาห้ามอยู่ตลอดเวลายาเลยยาเลยยาเลยแม่บ้านเขานี่ห้ามอยู่ตลอดแต่ว่านายช่างแก้วไม่ยอมเสร็จแล้วพอไม่ยอมทั้งไงก็พระนี่ก็เกือบตายแล้วนแต่ไม่ตาย เกืบตายเสร็จแล้วก็พอได้พลอยก็ขอโทษขอเข้ามาพระใหญ่เลยเสร็จแล้วในที่สุดพระบอกว่าเข็ดจนตายแล้วท่านไม่ฉันบ้านใครอีกต่อไปแล้วบินทบาทฉันก็ได้เนี่ยหลังจากนั้นมาพระรูปนี้ก็เป็นพระอรหันด้วยนะท่านไม่ฉันบ้านใครอีกเลยท่านบินทบาทฉันแค่นั้นแหะก็บอกว่านายชนสี่พวกนี้ไปยังไงนายช่างแก้วตกนรกเพราะว่าพระเนี่ตายเพราะเพราะเออที่ถูกรัฐเนี่ยเพราะว่าพระอรหัน์ พระหันนายช่างแก้วตกนรกพระนกกระเรียนไปเกิดในท้องของของแม่บ้านของไอ้นายช่างแก้วแม่บ้านนายช่างแก้วชาตินั้นก็ไปสวรรค์ะนะพาาระหันก็ปรินิพานก็มีอยู่สี่พวกอีกคนหนึ่งตกนรกใช่ไหมนกมากลายเป็นลูกของคน แม่บ้านเกิดในสวรรค์แล้วก็ผ่าหาันรปรินิพานเข้ากันแต่ถ้าถ้าสูตรนี้เนี่ยนะคนทําบุญก็ไปสุคติโลกสวรรค์ให้ผอาหาันก็ปรินิพานแต่ถ้าพูดถึงสังกิเลสด้วยนะสังกิเลสเป็นต้นด้วยก็นูนะ่นแหะพวกนั้นก็ตกนรกพวกตกนรกก็เป็นพวกกลุ่มสังกิเลสเนี่ยนะสรุว่าผู้ที่ทําบุญเนี่ยนะทำบุญจุติจากสุคติไปปฏิสนธิในสุคติอันนี้เป็นวาสนาะ ส่วนผู้ที่ละสังโยชนแล้วก็พ้นจากชรา ม, มรณะคือปรินิพานอันนี้เป็นนิพเทภาธติยะเพราะฉะนั้นสูตรคาถานี้ก็แสดงทั้งวาสนากับนิพเทธพักิยสูตรอีกสูตรหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสภาพที่ประเสริฐเหล่านี้มีสองอย่างสภาพที่ประเสริฐสองอย่างเป็นไนคือการที่ทายก บริจาคบริหารคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชอันเป็นปัจจัยแก่ผู้ป่วยในบนรรพชิตผู้ออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกทั้งหลายและอรหัตผลอันเป็นที่สละอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำนัดเป็นที่ดับทุกข์ในบนรรพชิตผู้ออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกทั้งหลายก็แบ่งเป็นสองกลุ่มอธิยมทําบุญกับพระอรหรันนะี่คิดง่ายง่า ย, ยานี่นะยมก็ทําบุญกับพระอรหรัน์ ในสองอย่างนั้นการที่ทายกบริจาคปัจจัยสี่คือจีโวนบินธบาศเสนาสนะเพศัตบริหารอันเป็นปัจจัยแก่ผู้ป่วยในบรรพชิตผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพบวชเป็นอนาคาริกไม่มีเรือนอันนี้เป็นวาสนาภาคยะอันนัเป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปอรหัตผลอันเป็นที่สละอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับทุกขในบรรพชิตผู้ออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกทั้งหลาย เป็นนิเพทพาคียะเพราะพระอรหันต์ปฏิบัติในการชำรกกิเลสเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกตัสรู้นี่นะอันนี้ก็เป็นสูตรอ่สูตรที่สูตรที่1ิบนั้นกล่าวถึงว่าสนากับนิเพทพาคยะสรวปที่ฟังมาฟังมา10 ส, สูตรแล้วอ่หัวข้อใหญ่นะถมว่า10สูตรไหมว่า10ส่วนเดี๋ยวพักสักครู่ก่อน